เราเกิดมาในโลกนี้เกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขทั้งนี้ก็เพราะว่าเราได้รับความสุขยังไม่เพียงพอมันถึงได้ดิ้นรนกันอยู่นี่แหละแมันจะมีความสุขเพียงพอได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดจากความอยากความปรารถนา ทั้งมีถ้ายังมีความอยากความปรารถนาอยู่ตราบใจความทุกข์มันก็ต้องมีอยู่ตราบนั้นอันนี้พูดถึงทางรวบยอดอืมดัง น, นั้นการที่เราจะมรรคความอยากความปรารถนานี่ให้มันได้เด็ดขาดลงไปแล้วต่อเมื่อต้อง ฝึกขนอบรมตนให้เต็มความสามารถติดต่อกันไปไม่ขาดสายถ้าบุคคลใดไม่คิดที่จะฝึกตนให้ติดต่อไปไม่ขาดสายอย่างเช่นว่านี่นะมันก็สู้อำนาจของความอยากไม่ไว เพราะว่าตัณหาคือความอยากนี่มันติดสอยห้อยตามจิตใจนาจิตใจนี่ให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บังมานานแสนนานแต่ละคนน่ะท่องเที่ยวอยู่ในส ง, ส, งสารอันนี้นะถ้าผูดด้ใดประมาทมากก็ยิ่งท่องเที่ยวอยู่มาก ยิ่งเป็นทาตแห่งตัญหามากอถ้าผู้ใดรู้สึกตัวเป็นผู้ไม่ประมากทกระทําคุณงามความดีฝึกตนไปก็ยังชั่วน้อยก็จะไม่ตกเป็นทาตแห่งตัญหาเต็มร้อยเปอร์เซนคนส่วนมากยังไม่เห็นโทษแห่งตัญหายอมยอมตกเป็นทาตของมันส่วนมากเป็นอย่างนั้น ยอมไปทุกอย่างอันนั้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้จนเป็นเหตุให้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองเพราะความอยากนี้เองความไม่รู้เท่าความไม่รู้จักประมาณในความอยากความจริงเนี่ยในเมื่อบคุคคลพูด ยังสร้างบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็มีความอยากประจำใจอยู่อย่างนี้แหละคืออยากมีความสุขเพราะที่มีมาแล้วมันไม่ยั่งยืนทีนี้เมื่ออยากมีความสุขเราก็ต้องมาสร้างเหตุแห่งความสุขให้เกิดมีขึ้นในตนเพราะว่าเหตุอย่างไรผลก็อย่างนั้นเหตุแห่งทุกข์ก็มี วันนี้บุคคลผู้ไม่ได้ศึกษาให้ละเอียดทีท่วนไม่รู้จักว่าอันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็ไปสะสมเหตุอันนั้นเข้าไปให้องมากเข้าไปมันก็เป็นทุกข์ตัวนั้นเองทุกข์นั่นก็อแดงออกเป็นสองประเภททุกข์ในอบายภูมินั่นเป็นทุกข์อย่างมหัน ทุกในการไปตกนรกเป็นเปรต เ, เป็นอสุรกายเป็นสัตว์ดิดัชัานนี่เป็นทุกข์ประเภทอย่างหยาบที่ที่นี่ทุกอย่างกลางได้แก่ความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แล้วก็มาเป็นทาตของตัณหาต้องสแสวงหารูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัส เมื่อได้มาแล้วก็ชื่นชมยินดีเ ม, มื่อเมื่อเวลามันวิบัติแปรปวนจากไปก็เสียใจเศร้าโศกนี่แหละเลย ว, ว่ามนุษย์เรามาก็มาเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แต่ก็ยังเบาบางกว่าทุกข์ในนรกแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าผู้ใดเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วตั้งหน้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไป ก็มีทางที่จะบรรลุถึงความสุขได้ตามเป้าหมายคนส่วนมากไม่เคยเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารคือไม่เห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายไม่เห็นโทษของตัณหาของทยานอยากอันเป็นไปในทางบาปอากคูชนนี่แหละเมื่อไม่เห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านี้แล้วมันก็ปฏิบัติ สิน ร, รมคำสองพระเทเจ้าไม่ได้เลยก็ตัณหาตนยอมเป็นข้อเป็นพาดแห่งตัณหาแล้วตัณหามันก็บังคับไม่ให้เข้าวัดเข้าว่าไม่ฟังธรรมไม่ให้อยากจำสินหา้าสินอุโสถอะไรแล้วเพราะว่าตัณหาฝ่ายต่ำนั่นมันมีแต่จูงให้จิตใจของคนนั่นคิดไปในทางบาปทางอากุศล คิดไปในทางสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดมีขึ้นแก่ตนของตนนี่เรื่องของอวิชชาตันหามันก็เป็นอย่างนั้นส่วนเรื่องวิ ช, ชาความรู้ความฉลาดมันกงกันข้ามบาหนิเมื่อบุคคลไดมีความรู้ความฉลาดในคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้มันก็ดำริ ในใจอยู่เสมอแลละทำอย่างไรหนอเราถึงจะพ้นจากอำนาจแห่งตัณหาเพราะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นอย่างนั้นก็เมื่อเราเบื่อทุกข์เราไม่ต้องการความทุกข์เราก็มาดำลิกละตัณหาความอยากในใจนี่ให้หน้อยเบาบางไปเรื่อยๆนี่ลักษณะของมุคคลผู้มีปัญญา มันย่อมมองเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้ยกตัวอย่างเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ครองราชสมบัติอยู่เมื่อบุญบา ร, รมีมาถึงงามบรรลบรรดานให้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารพระองค์ก็มองเห็นแต่การ อ, อกบวชเท่านั้นซึ่งจะเป็นทางระงับทุกข์ ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเมื่อบวชเข้าไปแล้วไปเพียนภาคเพียนพยายามละตัณหาความอยากในหัวใจนี่ให้มันหมดสิ้นลงไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะนำดวงจิตนี้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปเพราะองค์พิจารณาเห็นอย่างนี้จึงค่อยสละราชสมบัติออกบวชให้พู เมื่อพระ อ, องค์ได้บวชได้ตัดสรุปอนุทธอเจ้าแล้วผู้มีอุปนิสัยวาสนาบารมีแก่กล้าได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกบวชบางเหล่าก็สำเร็จมรรคผลในตอนฟังธรรมจบรงก็ขอบวชอย่างนี้แลจึงเรชื่อว่าเป็นผู้ดำริพยายามที่จะถอนตนออก จากลมคือตันหาความทะยันอยากต่างๆถ้าหากว่าไม่สามารถจะถอนตนออกได้แบบการเป็นนักบวดเช่นนี้เมื่อก็พยายามปฏิบัติสินธรรมของผู้ครองเลือนทั้งหลายให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในใจพรธรรมของผู้ครองเรือนนี่ มันก็หมายความว่าเป็นผู้เว้นจากาบาปมีสินห้าบริสุทธิ์อันนั้นและเป็นรากเหง้าของกุศลทั้งหลายผู้เป็นครือข่ายถากว่าพยายามรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์ได้อย่างนี้นะตัณหาส่วนยมหยาบมันก็บาวางลงเพราะว่าเมื่อมันคิดจะไปทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเข้ามันก็นึกถึงสี ถ้าจะไปฆ่าสัตว์ศิลก็ขาดจะไปรักของเขาศิลก็จะขาดอย่างนี้นะอืจะไปเพือก็เพือกผิดมิจฉาจารกรรมก็ดีจะไปกล่าวมุสาวาดหลอกลวงให้เขาเห็นผิดเป็นชอบไปก็ดีจะไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นเฮโร อ, อีนอะไรก็ศิลมันจะขาดบุคคลผู้ มีศรัทธามั่นอยู่ในศีลสมาทานศีลแล้วก็ไม่ยอมล่วงเช่นนี้นะมันก็ทําให้ตัณหาความอยากอะไนั้นเบาวางลงจากกิตใจอืมเช่นนี้แหละจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เห็นโทษแห่งตัณหาตามเพศตามภูมิของตนผู้อยู่ในเพศใดก็ประพฤติทำอยู่ในเพศนะั้น ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมเหมาะสมกับทุกเพศทุกภูมิทุกวัยไม่ใช่ว่าทรงสอนแต่บรรพชิตให้ละกิเลสตัณหาโดยส่วนเดียวแม้คราหัตก็ทรงสอนให้ละกิเลสตัณหาเหมือนกันแต่ว่าคฤหัตนั้นละกิเลสตัณหา อย่างที่มันพาให้ไปทําบาปอากุศลต่างๆนี่ให้ได้อืมส่วนบนรรปะชิตนี่ละกิเลสตัณหาอันมันจะพาให้เกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารอันนี้ต่อไปเพราะเป็นบนรรปะชิตนี่ย่อมเว้นจากกรรมชั่วห้าอย่างนั้นมาได้แล้วการมาบวชเป็นพระเป็นเนรนี่นะ นั่นแนะบัดนี้ก็ามาประพฤติศิลปในพระปฏิโมกให้ยิ่งขึ้นไปจากศิล5ห้าแล้วก็ศิล10สิบของสามาเณรจากศิลป์สิบแล้วก็สองศิลสองร้อยสิบเจ็ดของพิษุอย่างนี้ความประพฤติมันก็ปันนีดและถูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้แหละทาสอนในพระพุทธศาสนานี่นะ ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคําสอนอยู่แต่เพียงอย่างเดียวหมวดเดียวให้ปฏิบัติอย่างนี้ทั่วกันหมดพระองค์ไม่ไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ส่วนทางธรรมะนั่นน่ะมันต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดแหละสุดท้าจากไทยจะมีความสามารถปฏิบัติธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในตนได้มากน้อยเท่าไหร่ มันก็ไม่ขัดข้องเลยจะเป็นเพศไหนก็าตามส่วนวินญแล้วก็ต้องปฏิบัติให้มันตามเพศตามภูมิของตนเป็นไปตามเพศอันนี้นะเาพระศาสดานั้นทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่าอย่างนั้นควรอย่างนี้ไม่ควรอย่างนั้นพอเหมาะพอดีกับคนเหล่านั้นพระองค์รู้หมด นันเนี่ยดังนั้นน่ะไม่มีคำสอนใดๆ ใ, ในโลกที่จะประกาศถึงความจริงนังกล่าวมานี้ได้ก็เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมบัญญัติวินัยอันใดแล้วนี่ผู้มีปัญญาทั้งหลายเอาไปวิจัยดูแล้วยอมยอมรับเลยว่าเป็นความจริงโดยเฉพาะอริยสัจสี่อย่างนี้เนี่ย ทรงแสดงความจริงของชีวิตอริยสัจสี่ก็ค้นโอจัดชีวิตนี้เองจากกายจากใจนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นใดเช่นความทุกข์อย่างนี้นะนอกจากทุกข์กายกับทุกข์ใจนี่แล้วมันจะมีอะไรเรานี่ใจนี่แหละเป็นผู้รับรู้ความแปรปรวนของร่างกายใจไม่รู้เท่าร่างกายทำเป็นจริงก็หวั่นไหวเดือดร้อน ก็เป็นทุกข์ใจอย่างนี้นะส่วนร่างกายนี่เนี่ยจะรู้เท่าหรือไม่รู้เท่าก็ตามเนี่ยมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ตามเรื่องมันเพราะว่ามันไม่เที่ยงนี้มันก็ย่อมแปรปรวนไปตามเรื่องของมันนั่นแหละแล้วมันเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่บังคับไม่ได้อ่ะมันไม่เป็นไปตามใจหวังดังนั้นมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวน แตกดับไปเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกลับไปอย่างนี้นะบุคคลผู้มารู้แจ้งในกายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตใจผู้นั้นมันก็ไม่เพ็นทุกข์ไม่เดือดร้อนร่างกายนี่จะแปรปรวนไปอย่างไรก็กำหนดรู้ดูความจริงของร่างกายไปอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตที่เห็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืน เห็นไม่ใช่ตัวตนของตนจริงจังแล้วไอ้ตัณหาความอยากมันก็เบาลงมันก็บาวางลงเลยปานี้ฮตัณหาที่จะให้พาไปทําบาปกรรมมีค่าสัตว์เป็นต้นเหรนี้มันก็งดเว้นได้มันก็ละได้อืมสําหรับผู้ครองเรือนก็ตามบรรพที่ก็ตั้งางแหละบรรพทีก็ฆ่าสัตว์ได้อยู่เหมือนกันนะ ถ้ า, ห า, าหาว่าเวลาตัณหาประเภทย่ำๆนั้นนะ่ะมันเบงเงินอย่าว่าแต่เครือขัดเลยอืันนี้นะพ่อเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาให้รู้คําสอนของพระเจ้าที่พระ อ, องค์แสดงนั่นนะมีความมุ่งหมายอย่างไรเราต้องรู้ความมุ่งหมายแห่งคําสอนของพระ อ, องค์นี่เมื่อเรารู้ความมุ่งหมายแล้ววันนี้ มันก็มาตรงกับความต้องการของเราสิสําหรับผู้มีปัญญานะความหมายของเราต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารอันนี้ทำมาปฏิบัติที่พระองค์เจ้าแสดงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกขะละตัณหาได้เท่าไร่ความทุกข์ก็ดับไป เท่านั้นแล้วความสุขก็เกิดขึ้นมาแทนเท่านั้นละตัณหาไปได้มากเท่าไรความสุขก็มากขึ้นโดยลำดับเมื่อละตัณหาให้หมดสิ้นไปความสุขอันเป็นแกนสานก็ย่อมเกิดมีขึ้นหมายถึงจิตใจนี่แหละไม่เสียใจไม่ดีใจไม่เศร้าโศกไม่อุ่นวายเดือดร้อนกับสิ่งใดๆในโลกนี้ ใม่โลกนี้คือร่างกายสังขารก็ดีหรือว่าสิ่งที่เนื่องด้วยร่างกายสังขารเช่นบ้านเรือนเงินทองเข้าของสมบัติต่างๆมุนี้จะวิบัติแปลปวนไปอย่างไรจิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะนั่นแหละไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุว่ามันละตัรหาอุปาทานออกไปแล้วอย่างนี้นะ มันละความยึดมั่นในขันห้านี้ลงไปแล้ววันนี้มันจะไปเดือดร้อนอะไรเมื่อไม่ยึดถือขันห้าเอาไป็นตัวเป็นนแล้วบ้านเรือนเงินทองเข้าของก็ไม่ใช่ของตนทั้งนั้นเลยเมื่อจิตไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับขันห้านี้แล้วมันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นโศกกับสมบัติภายนอกอันนั้นวิบัติแปรปรวนไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่า การบาเพ็ญทางจิตใจนี่จดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนโดยแท้จริงก็เพื่อให้ละอุปทานในขันหานี้เพื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาผู้ใดละความถือมั่นนี้ได้เท่าไรกิเลสมันก็บาวางไปเท่านั้นแหละกิเลสมันก็เกิดขึ้นจา ก, กจิตใจทีม่มายึด ถือขันธ์หา้าเอาเป็นตัวเป็นตนนี่นะนี่แ่ะเป็นเง่ามาันนะอยู่ตรงนี้เองนะดังที่เราจะเห็นได้จากพระอระหันต์ทั้งหลายท่านพุทะอาศวะกีเลศหรือละความอยากหมดสิ้นไปแล้วยังหนุ่มยังแน่นอยู่กัเยอะข้างพุทธเจ้าท่านก็ไม่ดิ้นลนขอนขวายสะสมเงินทองเข้าของอะไรเลยทำตัวเป็นคนผู้เดียวเที่ยว พิคขาจารเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ไปจนก ว, ว่ามันจะหมดเหตุปัจจัยของร่างกายอันนี้เพราะร่างกายนี้มันมีบุญกุศลที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั้นตามมาตกแต่งมารักษาให้เพนไปอยู่บางคนก็ยังออกความเห็นว่าอา้าวถ้าสำเร็จอราหันแล้วหมดความอยากแล้วก็ไม่น่าจะ ครองยรูปร่างอันนี้อยู่เพราะวันเป็นทุกข์หลายก็ อ, อย่าฉันข้าวจะไปฉันน้ำซะแล้วปล่อยให้มันแตกดับไปไ ว, ไว้เสียเลยจะไม่ดีกว่าหรออันผู้มีความเห็นเช่นนั้นเรียกว่าปัจจากเหตุผลเหตุผลมีอยู่ว่าขันห้านี้มีบุญกรรมเป็นเครื่องตกแตง่งทีนี้ถ้าพะาระอรหันต์นั้นจะไปคิดทำลายขันหานี้ ออกไปโดยที่บุญกรรมยังไม่หมดไม่ไม่ท่านก็ทำไม่ได้เพราะท่านท่านรู้นี่รู้ว่าทำอย่างนั้นไม่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไม่ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องนี่นะเหตุแทนนั้นเมื่อท่านมีสำเร็จอราหาันแล้วยังมีชีวิตเป็นอยู่ท่านก็ทำประโยชน์ช่วยพระราหาทรงเทศนาแนะนำสั่งสอน พุทธศาสนกชนทั้งหลายให้รู้แนวทางปฏิบัติหรือให้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษช่วยพระสาสดาเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปได้แต่และท่านแต่และองค์เนี่ยท่านที่มีอายุยืนยาวนานยิ่งได้ทำประโยชน์แก่ชาวโลกนี่มากเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องอะไรที่ท่านจะ ปล่อยให้จนให้ร่างกายนี้แตกดับไปเสียโดยไม่ได้บำมลุงอะไรเลยมันก็เสียประโยชน์ในไหนมันก็ได้เกิดมาแล้วโดยอาศัยขันห้านี่แล้วจึงสำเร็จมรรคผลทีนี้ท่านก็ใช้ขันห้านี่ช่วยเผยแผ่ทนเป็นทางพ้นทุกนี้ให้แก่ผู้มีศรัทธาทั้งหลายจนกว่ า, วาบุญกรรมที่ท่านสามาแตก่อนหมดลงเมื่อใด ท่านก็จึงคงสังขาร น, นี่ลงแล้วเข้าสู่พระนิพพานไปเป็นอันว่าสิ้นทุกข์สิ้นยากในวัฏฏสงสารคือพระนิพพานแล้วไม่มีความอยากอ ย, กอยู่ในนั้นเลยความอยากความหิวแม้แต่น้อยหนึ่งก็ไม่มีนี่แหละมันถึงเป็นความสุขอันสดใสเป็นความสุขอันสุดยอดไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่า ไอความสุขที่เจืออยู่ด้วยความอยากนี่มันยังเจืออยู่ใยทุกข์ไม่ใช่สุขต้นล้วนออย่างนี้แหละเอาคันว่าตนมีร่างกายสมบูรณ์โรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้แล้วพัดอยากให้มีอายุยืนยาวนานไปอย่างนี้นะคันเมื่อมันไม่เป็นไปตามใยหวังแล้วก็เป็นทุกข์เดือดร้อนออมันเป็นอย่างนั้น กันเมื่อหาเงินหาทองมาได้เท่านี้แล้วก็พอใช้พอสอยอยู่นี่ก็ยังไม่พอใจดินลนแสวงหาอีกอได้มาแล้วก็ไม่พอใจอีกไม่อิ่มอีกก็แสวงไปเอาจนว่าตัวตายแล้วจึงแล้วไปอย่างนี้เรียกว่าตายอยู่ในความอยากอืจิตตกเป็นธาตุแห่งตัณหาคือความอยากแล้วตายไปมันก็เป็นทุกข์ไป มันก็อยากไปในโลกหน้านันแหละอีกก็อย่างนี้แหละความอยากเนี่ยมันแต่งทุกข์ให้คนไปทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าไห้คิดดูให้มันเห็นถาน้าบุคคลใดมาเห็นโทษของความอยากอันนี้แล้วมาเพียายามภาวนาทำจิตให้สงบเป็นสมาธิลงไปความอยากมันก็เบาบางลงทีนี้นั่นแหละ ความอยากมันก็น้อยเบาบางลงในขั้นหนึ่งในระดับหนึ่งเมื่อจิตเป็นสมาธิลงไปแล้วหรือถ้าหากว่าได้เจริญปัญญาได้พิจารณาว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะพิจารณาเห็นได้ว่าตัณหามันจะเกิดขึ้นก็เพราะมันหลงรักหลงใคร่ในรูปในนามในขานานี่เอง เมื่อมันหวงเห็นรักใคร่ในขันห้านี้แล้วมันก็แสวงหาสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้แกขันห้านี้อืนี่แหละอยากจะให้ขันห้านี้มันอยู่เย็นเป็นสุขสบายไปตลอดอ่แล้วขันห้าของตัวเราก็ยังไม่แล้วกว่านี้ต้องไปขันห้าของลูกของเมียอืของพ่อของแม่อะไรลามปามไปทั่วอะไรกว่นี้ นั่นแหละความอยากมันจึงทุยีคูณขึ้นอยากแสวงหาอะไรต่ออะไรมากบำรุงปนเปอร์กันต่อไปแอ้อย่างนี้นะควรคิดความพิจารณาให้มันเห็นเมื่อผู้พูพิจารณาเห็นโทษแห่งความอยากเห็นตันหาอย่างว่านี่แล้วก็ก็เคยกัอย่างที่พูดมาในตอนต้นแหละต้อง แบ่งตัณหาออกเป็นสองประเภทตัณหาที่มันพาจะพาให้ทำบาปทำกรรมมีปานาธิบาตเป็นต้นต้องละให้มันเด็ดขาดไปเลยอย่างตัณหาชั้นกลางนี่ตัณหาอยากมีความสุขเมื่อละบาปได้แล้วก็คิดทำบุญสิบะนี่เข ม, มองเห็นแนวทางว่าบุญกุศลเท่านั้นจะอำนวยความสุขให้แก่ตนได้ สิ่งอื่นไม่สามารถจะอำนวยความสุขให้ได้เลยอย่างนี้ให้มันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้ด้วยตนเองผู้ใดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็ไม่ละทิ้งบุญแล้วบันนี้นะบาปตนละแล้วนี้เมื่อตอนละบาปแล้วก็สร้างบุญเข้าใส่แทนจิตใจหนึ่งให้ใจนั้นซึมทราบอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลลักษณะของบุญกุศลนั้นมัน เกิดขึ้นในใจก็ทำให้ใจประกอบไปด้วยเมตตากรุณาทำให้ใจนั้นมุธุอ่อนหวานไม่แข็งกระด้างกระเดืองเคารพต่อสิ่งที่มีคุณอย่างสูงได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เคารพต่อมารดาบิดาเคารพต่อครูบาอาจารย์อย่างนี้นะ ธรรมดาคนบุญทั้งหลายย่อมไม่กระด้างกระเดื่องไม่อวดติดอวดดีอืมมีจิตใจสงบตั้งมั่นเยือกเย็นอยู่ภายในมีสติกำกับใจอยู่คนมีบุญนะ่ะไม่ปล่อยใจของตนให้ตกไปทางบาปอากุศล น, นี่แหละอำนาจของบุญนะ่ะมันเตือนใจให้รู้ตัวอยู่เสมอไม่ให้น้อมไปทางบาปอากุศล นี่มันไปนอย่างนั้นนี่แหละบุคคลจะละตัณหาได้ก็ข้อมาพิจารณาเห็นขันหา้าอย่างว่านี้เองนะการทำใจสงบระ ง, งับนี่นะ่ะได้ชื่อว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นเป็นหนุนทางที่จะระ ง, งับตัณหาในบทบาทที่สองบเจริญปัญญาอย่างว่ามานั่นแหละฉะนั้นอย่าไปลืมการปฏิบัติทางจิตใจนะ่ะเมื่อทำใจสงบแล้ว เห็นว่าใจเป็นหลักฐานมั่นคงดีสมควรแล้วอ้าววันนี้ก็เริ่มวิจารเรื่มพิจารณาเมื่อยังยังไม่รู้แจ้งสิ่งใดก็กำหนดพิจารณาเรื่องนั้นให้เจมแจ้งขึ้นในใจพิจารณาดูจิตถ้าจิเห็นว่าจิตมันยังคล้องอยู่กับสิ่งใดนั่นแหะก็ใช้ปัญญาโสนจิตให้มันละสิ่งนั้น เพราะว่าความผูกพันความคล้องอยู่ในของไม่เที่ยงมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละมันไม่มีสุขหันยังยืนอะไรเลยคุนเชื่อว่าความเกี่ยวข้องความยึดถือความผูกพันแล้วนั้นจะไม่ให้มีทุกข์แลาไม่มีเลยเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้